มันว่างมันว่างขั้นธรรมด้วยนี้บังเกิดก็มันเคยว่านะแล้วผู้ที่ว่ามันว่างจากนี้นั้นผมว่ามันไม่ว่างขั้นของธรรมถึงขั้นบ้างว่ามันมาอยู่คืออยู่อยู่บนหัวตอ มันมองลงข้างล่างเราตัวว่างบ่แต่ที่หัวต่อมันไม่ว่ามันไม่มาดูที่หัวต่อพี่น้องดูดูบ่หัวต่ออือนี่ว่าในตัวของมันตัวหนึ่งว่างไปหมดทั้งดินทั้งแพก็เหมือนมีต้นไม้คือเขาพยายามบ้านโทมณฑาเป็นด้านวิถี มันไม่มีในความรู้สึกคือทะลุไปหมดว่างไปแต่ที่ยืนถึงนั้นคือเหงาต่อเพียงกับว่าเหงาต่ออยู่ในบรรยากาศตรงนั้นมันไม่ว่าเราไม่ดูตรงนั้นได้นี่แหละความว่างที่ความว่างตรงนี้มันก็ไม่มีปัญหาความคิดแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ว่างละก่อนที่คิดกันละก่อนนั่งแบบนี้ว่างไม่มี ความว่ากําหนดขึ้นที่กําหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปหาไปบ้างนั่นเป็นการฝึกท้อมปัญญามีปรากฏขึ้นทับแล้วหายไปทันทีครับแสดงว่าคุณมันไม่ขึ้นจักไหนนะการฝึกซ้อมทางปัญญานั่นคือจับหยิบเป็นผู้สมมติปูเขาก็เป็นภูเขาแม้ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายอะไรนั่นษา ความเป็นและญาณวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ภาพตัวเองจิตเป็นผู้ไปหีไปเห็นเป็นอย่างนั้นแล้ววาดภาพสิ่งนั้นขึ้นมาอีกภาพอีกซึ่งเป็นภาพเหมือนที่ได้เคยได้เห็นแล้วมาเป็นอารมณ์ของใจอีกเป็นสมมุติอันหนึ่งที่ทําให้โน้นเพราะฉะนั้นการวาดภาพกําหนด นี่คือมันว่างคือที่มันว่างไปให้ปรากฏมีขึ้นมาเมื่อขณะขณะระดับต่อก็ไม่ขึ้นมาตัวขณะดับไปไล่เข้าไปที่ไหนแยงนี้หรอดับหน้าตาปรากฏภาพนี้ก็ดับดับไปคล่องๆท่านจะได้เห็นความสมุติขึ้นปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นภาพต่างๆตามที่ผมว่าขึ้นมาแล้วมันดับไปดับไปมองดูแล้วมันจะ อาวร่างกายตัวเงาตัวเองน่ะคือเงาตัวเองมันก็มีปัญหาไปอีกครับผมรู้ว่าเป็นเงาของจิตมันเกิดที่จากจิตแล้วมันก็ดับไปในจิตอีกทีนี้ก็เลยย้อนคืนมาที่ตัวจิตสภาวสถานที่เกี่ยวกับจิตนี่คืออะไรมันเป็นสมุทุหรือเป็นนิโมตตอนนั้นมันยังเป็นสมุทุตอนนั้นยังเป็นนิโมต intent ว่าผมละปิดทั้งดวงก็เป็นตัวหนึ่งอะมีอย่างวิชาที่ 1 โดยที่ส่วนละหยิบที่ภายในเนื่องจากปิดพร้อมเป็นนี้เพื่อเปิดที่ที่เกี่ยวข้องขันธ์มูลอะรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่นะ เป็นอย่างๆเป็นวิญญูมันเป็นขั้นจิตเกลื่อนล้วนที่มีอยู่กับวิริยฐาเพเลยพอนั้นมันไม่เป็นขันธ์นะมันไม่แสดงตัวออกมาก็เป็นขันธ์ซึ่งทั้งขันธ์ขันธ์ก็ทุงขึ้นมาแล้วก็ไปปัญญาความกระเปืองของจิตออกมามันถึงจะไปถ้ามันกระเปืองไม่สะดุดแล้วมันมันไม่เป็นขันธ์มันก็เป็นจิตตาวิชชานี่นะ อืมทุกคำต่อทุกคำนั้นก็เข้าใจเข้าใจอืมด้านนับอยู่เงี้ยต่อที่อํานาจเหยียบยืนนะถ้าที่มันก็วางไปวางไปหมดวางในทางอันนี้คืออาการใดที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นมันก็ได้เหยียบยืนความเป็นเป็น เราแน่ใจว่านี่ภะกิณาสถ์ทั้งในความคิดความปรุงเป็นเดียวกันกับทั่วๆไปเป็นที่แก่มากอนัตถิภะมนัสมีค่าอาการของตนที่ยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวเองเป็นภาพจิตผู้เป็นเจ้าของก็มันรู้สึกจิตเนี่ยคือประธานปามาตังที่จิตก็สร้าง มันอันต่างๆที่กลไกควบคุมจุดนี้อยู่พอถึงนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่กลัวมีความดีใจเสียใจหรือกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จึงไม่มีเพราะเราหมดแล้วมันก็ลุกพยายามได้จากความวุ่นวายอยู่ออกไปอยู่คนที่ด้านหลังตามความจริงนะครับ ที่รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตัวเองจึงไม่ตกกับโหงกับจริงอย่างนั้นดีครับมีปุถันในโลกนี้ที่มาสอนให้ละเอียดลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่กามนี้ละเอียดสุขสิทธิ์ละเอียดจนพ่างเลยสังขารนี้แต่ <lang New ngày> แล้วเป็นเมื่อมีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้ใครก็เป็นฐานะไหนก็ติดความรู้ประเภทนี้จะไม่ไม่รู้รู้แบบนี้รู้แบบสมมุติละเอียดขนาดไหนก็เป็นรายละเอียดของสมมุติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมุตินั้นไปได้รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นไม่ติดตรงนั้น ความรู้ที่รู้แท้เป็นรู้จริงและเป็นสัมผัสในโลกรู้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรักยิ่งกลเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วทั้งทั้งรู้เรื่องความต่างของเขาเปิ้นใดไม่ถอนทีนี้จึงไม่ทะลอกเพราะความกรรมมาจะเรียนตัวพระไตรปิฎกก็เป็นปัญญาเป็นอย่างอยู่ไม่ใช่ปัญญาไปถึงความจริงความจริงกับความจําเป็นต่างกันคนละโลก นี่เราอยากรู้ความจริงที่ต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็สืบเนื่องมาจากปริยัติที่เคยศึกษาเราอยู่มีเจตสิกมานะขันธ์ 5 ตะตุหรืออาการ 32 เป็นต้นเรียนมาให้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาอ้าวทีนี้เอาความจริงเอาเจตสิกคืออะไรตั้งอยู่ยังไงเป็นอย่างไรฐานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นอย่างไร โดยมาณขาตันตาปัจโจแต่ละอย่างอย่างสุดท้ายที่เกิดความเป็นอยู่ขึ้นเป็นยังไงปัจโจเป็นของสําคัญปัจโจนี้เป็นหนังให้นี้ก็ต้องถูกบังความจริงได้มากทีเดียวท่านทดสอบเรื่องนั้นประจัพยันโตอาการทั้ง 2 นี้มีหนังหุ้มอยู่ด้วยร่าง หนังนี่เป็นเครื่องหลอกได้ดีพอทะลบหนังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงไม่ถ่ามารักใครชอบใครคนท่านไหนแต่ท่านนั้นหมดความหมายทั้งนั้นพอทะลบหนังแล้วมันเดินไปได้สุดโคยแรงโล่ไปหมดดูได้เลยมีแต่แมงวันนี้มีจะไปตอบให้เรื่องความรักความผิดกายจะไปตอบไม่ตอบในเวลานี้ความรักความผิดกาย มีในใจมีอยู่เนี่ยมันตอนนี้เว้ยหนังเองเป็นกรรมก็หนังเป็นครูท่านจึงสอนให้พิจารณาปฏโชจากนั้นมันก็ให้จิตได้เข้าไปในเรื่องอาการทั้งเพศาออกมานี้ปฏโชมันก็คูลชาเข้าไปได้เองเป็นมาทั้งทั้งอาการทุกข์ว่ามันมีเหมือนกัน เป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันนี่เรียกว่าภาคอภิธรรมที่เป็นหมายด้วยปัญญาคนที่จะพิจารณาด้วยปัญญาต้องเกิดลมสิทธิ์ให้มีพลังภาวในตัวด้วยความสงบท่านได้สอนมาติเป็นขั้นแรกเลยก็ให้จิตสงบก่อนพิจารณาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจนั้นเป็นไปด้วยความเห็นโยม จิตที่หาความสงบได้นี้เป็นปริโยคความโหดคิดอะไรโทษคู่ทั่วกายถึงพลันดาไปหมดนี่เป็นความพ้นเปล่าไปเอยรวมห้อมไปเอยแทนที่จะเป็นออกเป็นธรรมกลายเป็นโลภคร่ําเข้าไปเป็นกล้าสงบอยู่ลึกเลยนี้ทุกตัวในขณะที่คิดได้พอมันทะเลทลายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นพอจิตเนื้อหนอยจิตไม่หาความสงบได้เลย อันเป็นสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราชญ์โหติมณีสร้างปัญญาที่โอฬารสมาธิที่ประเสริฐที่ลงแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือธรรมาธิเป็นพื้นฐานปัญญาได้ดีเหมือนเหมือนคนรับทานอาหารมีน้ำน้ําดาลพักพรมันหลับให้ประดวกสบายแล้วทํางานของมีไม่หงอยไม่เหนื่อยไม่เครียดทั้งหน้าทั้งตาทั้งงานได้ดียิ่งกว่า คนที่พลางนี้จะซึ่งทําอะไรไม่ควรเป็นเม็ดเป็นหน่วยความหงุดหงิดก็มากเนาะจิตที่เป็นพลังความนี้หงุดหงิดก็หาความสงบไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นท่านจึงขอให้ควบคุมเข้ามาที่ให้มีความสงบพอถึงฝั่งแล้วก็พิจารณาทางด้านบันดาลจิตก็ตั้งหน้าทํางานไม่ถรีถลายได้ง่ายๆ สมาธิมีความสําคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทําปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องมือเฉยๆมันมีกันดาทํางานได้สะดวกขึ้นนึงไม่ใช่สมาธิจะกลายเป็นบรรดาพระเองมันพามันเข้าใจไว้ตรงนี้ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิอีกทั้งอภิธรรมเต็มๆของผมเองคือทํานิพพานจริงๆใครจะมาคงคุณลักษณะนี้ไม่ได้หรอก ฐานฐานที่สุดลงสมาธิกําหนดเมื่อไหร่มันหน้าเพราะฐานนี่สมาธิมันแน่นปั่นงวนภูเขาอย่างอ่าแต่ว่าอะไรกําหนดเมื่อไหร่มันก็หน้าเพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ละนักประเสริฐจิตเข้าไปทั้งนั้นมันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นสิอ่ะก็ไม่เป็นปัญญาให้มันเพียงแค่นั้นสุทธะก็เป็นเหม่าเอาความที่แน่หนามมันคงรู้อยู่อย่างดินยึดดินนั้น มันจะเป็นนิพพานนี้ละนิพพานอันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่ออยู่ตรงนั้นมันไม่ลืบอือสมาธินี่เป็นเครื่องอํานวยบรรดาได้อีกแทนปัญญานั้นออกเลยพอให้สมาธิอุดหนุนได้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนนึ่งอาหารเครื่องทําครัวขนมาไว้เป็นบ้านไม่ทําปรุงแต่งเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็ เป็นเครื่องครัวอยู่ỏi requirements แต่ทั้งfleетเป็นแกร์ เป็นอาหารâuغีое Olivier prestige ขอวะนั่นCola액ผลดมา Velvet นอกzeugนznaわか จะเหลือเย้ คุณเตรา... obligations가요... elite Love juga...ery쳤oran Clear subject แล้ว famous. tapi Him gdzieś來到 subject- confidence. hey-you, how-you کی สงูป Seat- dünya 28NAitä- to Kemal......" 그림iers are a- passages Most Meds." なี้ boarding will be. Millicially yes. 9印象 taub點 away wasn't... okay? he is a device. luck to seai. He has talked about it. So his head of the script perfectly. You came back to light. He'd be on 사진. He's a Douglas. Patreon. Returned บรรดาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แนวยากนี้เลยติดสมาธินะเวลาคิดคอยมาแล้วมากระทบผนังตรงนี้ก็เหมือนกับคนที่เปียกพอออกจากแดดปากฝนทําการทํางานบ้างนี้หน่อยก็กลับเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายตัวเข้าไปนอนอยู่ในโรงไม้คลายคายที่ที่ให้สบายดีกว่าจะนอนเที่ยงคิดเวลาออกมาครับ สัมผัสสตินั้นที่มีมันหนอมกันมากระทบแบบกระทบผลนั้นแล้วเข้าภักติคือได้ความรู้คือสมาธิเห็นแน่วไม่มีอารมณ์ปนไปเข้าไปเกี่ยวผลรสบารอ่าเรียกว่าติดสมาธิมีเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วนะนี้พอออกทางด้านปัญญาเราจึงเสถียรคุณภาพของสมาธินะ ออกพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงๆจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมันเป็นพระราชเป็นพระราชเป็นแม่ตามใจเรานิริยคค่อยขาดไปเข้าใจนิริยคพวกใดนิริยคนั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญามันก็เอ็ดกับคนกับคนนั่งไปหมุนไปอ๋อปัญญามันเกิดเกิดขึ้นเพราะการพิจารณาทั้งห่าไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทําให้เกิดเนี่ยรู้แล้วทีนี้ สมาธิเป็นชั้นหนึ่งแต่เมื่อปัญญามันออกเดิมก็ไม่ภาคจะอุดเหมือนไหนจะหนมกันได้เป็นสมาธิอย่างนั้นทีนี้เมื่อสมถะมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยคิดไม่เคยเป็นสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้อืมถ้าเป็นที่ปาปัญญามันก็คงคืนไปในขณะเดียวกันไม่มีน้ําทางยังพูดว่าสมาธิไม่จําเป็น เดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแลคือตัวงูที่สุดอวดฉลาดงูที่สุดแก่วรรณฉลาดมีมากนักเรียนลัดผู้วันเรียนลัดนี่ก็มันลัดขอจะสอนอย่างเงี้ยหยุดลัดคุณเก่งกว่าศาสดาได้หรือว่าใครยังคนมันอยากได้ถึงจะมาที่ปัญญาไม่ใช่ศาสดาเป็นทางเราจะเก่งศาสดาได้เลย เป็นก็ศาสดามันก็เลยมรรคที่งายศาสนาสอนมันเป็นมรรคที่มาทางนั้นหาที่ค้าไม่ได้ให้พิจารณามาอย่างการพิจารณาให้กินให้จําเวลาทั้งหน้าทั้งตาให้เท่าครู่ก็ให้มีหน้าเพียงเดียวอย่าไปเพราะโคนกับการพิจารณาอะไรทั้งขึ้นทั้งจิตลงช่องเดียวเหมือนกันน้ําไหนลงช่องเดียวมีกําลังมันไม่เป็นน้ําไหนบาดฉะนั้นจะเป็นกังวลกับพิจารณาเป็นกังวลกับสมบัติ ไม่ได้เลือกกันน่ะอย่าทํานี่เคยทํามาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนนี้เป็นครูเป็นทางทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติทางเหล่าที่ดําเนินมาผิดถูกเป็นครูมาโดยลําดับจริงๆเวลาสักท้ายปัญญาพิจารณาเอ้าพิจารณาลงไปบังคับจิตให้พิจารณาสติจ่อไปถ้าจะคิดถึงอะไรละงานไม่เป็นไม่เป็นปัญญาก็จะกลายเป็นสัญญาไปถ้าเลอะเท่าไหร่ไปเรื่อยๆ ปรับตัวเองให้เป็นคนจริงจังอย่างนิสัยญาณเนาะแล้วให้เป็นคนจริงกับตัวเองคุณค้านความคลื่นนี้สูงสุดยกตัวคุณค้านสูงสุดได้เพราะความคิดทําอะไรทํากินเอาคุณออกจากเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายให้อยู่กับติดอยู่กับตัวแล้วเรื่องตายเขาไม่เคยทําสมาธิภาวนาเขาก็ตายเป็นกันเป็นโรคไปช้าๆ อยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีสถานที่ใดถ้าท่านมีสถานที่นั้นนานเว้นไม่ได้เราเวลาจะทําสมาธิทําไมกลัวล้มกลัวตายกลัวไปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยพลต้องไปให้เห็นเหตุผลของทุกเวทนาอย่าขอให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั้นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้ว หายหรือมหาปรารามเราขอรู้ความจริงนี่เป็นมรรคอย่างนั้นแต่คนมันไม่เห็นความจริงในเหยียบปัดตัณหามันเนี่ยต้องมรรคแต่คนมันจริงๆด้วยทุกข์มากเท่าใดยิ่งปัญญายิ่งหมุนเกลียวที่สติยิ่งต่อลงไปในจุดนั้นเทียบเพียงได้ทุกข์จัดทุกส่วนทุกข์ที่ตรงไหนอะไรเป็นทุกข์เยอะแยะหมุน widetilde ๆนอนเต็มทุกข์เปียบหนัง กับทุกข์เหมือนกันนั้นเนื้อใยเป็นทุกข์อ๋อใจกับหนังกับเวทนาเป็นอันเดียวกันนั้นแยกแยกกันกันผู้บาลีก็มีคำสอนแต่ละคนๆครูอาจารย์เป็นประเสริฐที่จะให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เหลือของกับไปตีแผ่ก็เป็นความเข้าใจทัศนีย์เป็นสมบัติของตัวของขึ้นมาเองนั้นมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนแต่ละคนไม่ท่าน ยกเหมื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาสติมาตั้งมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครของใครมันจะคิดแต่อยากรู้อยากเป็นให้เข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าอยากกระทบนอกมันก็เป็นบัญญัติอดีตปัจยะเนี่ยของเราก็มีคิดถึงหลักการดําเนินในวงปัจจุบันมีไปหมุนมาไปมีเคยได้ที่ใครเรามีหลายอย่าง ในอย่างทุกขเวทนาเนี่ยแเด่นในทุกข์ทีไรในมอบเป็นมรรคพากําลังทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนนึงไม่มีพุ่งกันทันทีถึงเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นอาการเข้าว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทํางานความจริงก็ปรากฏขึ้นมา เดิมอสัจจังหายคลอบานทุกขเวทนาที่จะมีรอบใจมันก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดูสิทุกขเวทนามันมีมันมี 2 อย่างการพิจารณารอบทุกขเวทนาดับไปเลยแล้วดับไปทั้งร่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกไปเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอสัจจังเดิมเพียงอันเดียวผักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราจะพูด เกินกว่านั้นไปไม่ได้นราสภาวะปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้มันเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาดว่าได้จิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่มันมันเป็นความหมายไปแล้วผิดกาลความเป็นเป็นจริงในเวลามันจะถอยตัวมามันก็ภาพเองนี่ประการ ทุกขเวทนารอบนั้นทุกขเวทนาดับไปหมดดับอย่างเบลอๆด้วยแล้วทั้งนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนนะครับแต่คาดผิดท่านผู้แสดงให้ฟังก็ตามนิสัยของท่านครูบาอาจารย์ท่านนะครับก็จะนิสัยนี้อื้อเหมือนกันถ้าเรากําหนดดีเฉพาะ หน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี้เป็นความถูกต้องสําหรับหน้าปฏิบัติอย่าไปข้ามไปไหนอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นข้ออ้างเทือกในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาในตัวของเราเองประการเป็นอย่างนี้ประการที่ 2 พิจารณารอบหมดและทุกขเวทนาของมี <c oughs> มันมันไม่มีอำนาจอะไรเลยอืมคือมีก็สับแต่ว่ามุมเท่านั้นเองรวบเป็นเวทนาทุกขเวทนาแล้วทุกขเวทนานั้นก็เลยมีความหมายโดยเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกขเวทนาเป็นแต่เพียงความจริงหนึ่งเท่านั้นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเจตก็เป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างสิ่งจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกข์ขนาดไหนยิ้มได้อย่างสบายหรือแต่ตาในขณะนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะมันสามารถทุกขเวทนาไม่สามารถแทรกคลุ้มเข้าไป <โ อ. S 1> หมายที่กันให้บรรลุได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี้เป็นประการหนึ่งนั้นเราพิจารณามี 2 2 อย่างเหมือนกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นโดยธรรมดาของมันเองเราไม่ปลุงไม่แตะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็น 2 อย่างอย่างนี้โดยธรรมชาติและตกกาลมีมาว่ามันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายังไงมันถึงมันถึงเป็นแบบที่ 1 คือดับเป็น ก็คือนานๆมันถึงจะเสีย 2 ก็เคยประมาณไม่แต่รอบปัญหายังประจักษ์หาทางแก้ผู้ช่วยคณะไม่สามารถครอบคลุมได้เลยแม้แต่ตายในขณะนั้นก็ตายอย่างสบายๆก็เคยประมาณไม่เข้าก็พิจารณาอย่างนั้นอันที่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองแต่จะจะดับหรือไม่ดับไม่สําคัญสําคัญที่รู้ต่างอันต่างสิ่ง ถึงใจด้วยปัญญาก็เพราณากระดับไม่ดับไม่สําคัญสําคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างๆอันต่างๆนี้เรียกว่ารู้รอบแล้วอย่างตรงตัวรู้รอบเป็นความจริงเด่นชัดหาที่พานไม่ได้ว่าผู้ที่เจ้าท่านว่าทุกขังอันเดียวจะจําทุกข์เป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองน่ะจริงอย่างนี้เองแล้วไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกข์เป็นความจริงจริงอย่างนี้เองเนี่ย มันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไปแล้วจะไปท่าณขุนพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท่อปฏิบัติของเราอ้าวดําเนินไปธรรมนั้นธรรมะปฏิปทาโหติดให้ปฏิบัติธรรมทั้งปวงแต่ธรรมเป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตได้เห็นธรรมเห็นปรากฏอยู่กับความจริงเนี่ยนี้อย่างนี้แต่ไม่พ้นพระพุทธเจ้าแท้ๆก็คือความบริสุทธิ์คือความจริง ภายในจิตเห็นความจริงแท้ส่วนสมมุติดูตลอดไปถึงแม้จิตก็เป็นความจริงเป็นตัวความรู้สึกเป็นตัวนั่นแหละองค์พุทธะแท้อยู่ที่ไหนสังขนิพพานนั่นที่นี่นั่นก็เป็นสมมุติข้างหนึ่งท่านละผู้ปฏิบัติอย่าไปคาดข้างนอกเราเคารพทั้งสมมุติสถานที่กรรมญาภพโสกนิพพานเราเคารพทั้งตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่นะ พอได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นแล้วว่าคนนี้ผมต้องการเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรพระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยจะได้เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงนั้นเห็นธรรมเป็นดวงใจเห็นธรรมเต็มตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์อ๋อพุทธะแท้คืออย่างนั้นท่านไปนิพพานไปนานไม่นาน อันนี้ไม่ใช่กาลไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการโกธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ของมือเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจมีอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะอินทร์ไม่ยึดกับที่ฐานไม่ว้างเลยนะคือเจ้านิพพานต่อแล้วไม่มีพ่อไม่แน่ไม่มีผู้แนะนําคําสอนว่าขายทํานั้นแลคือสถาพกษ์แท้องค์สถาพกษ์แท้ได้แก่ความรู้แจ้งถึงจริงภายในแจ้งตนเองด้วยการปฏิบัติ นี่อย่างอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยไปผนใสกับเรื่องอะไรเรื่องโลกกันจะเห็นนั่นแหละมันเป็นคงจับมันหมุนตัวเป็นเกลียวหือหาความสุขไม่ได้ที่เรียกว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกนี่หาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเถินก็เถินพวกแต่หาความทุกข์นั่นไม่ไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ไปหาความทุกข์ เรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นให้เหมือนธรรมทํามิเทินเพินเพื่อสันติสุขสุขก็สุขโดยธรรมที่กันมากเราอย่าไปหลงติดย้อมกองเนาะดําเนินธรรมหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วอย่างนี้แล้วจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้ชิ้นกิเลสผู้ทรงรู้แจ้งสัจจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกะวิทูในโลกนี้มีใครดําเนินพอดีทูจะรู้เรื่องนี้จริง ดังนั้นและตรงความสุขด้วยอย่างสมบูรณ์หลวงพุทธเจ้าพอที่จะประยุกต์ไปถึงไปลงไหนไปสันกระเพาะในคําพูดคําจากิริยาอาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบแล้วมันแสดงตัวอยู่ในภูมิจักข์พัดถันเองต่างคนต่างพัดต่างถันมันวุ่นไปหมดนี่แค่มันภูมิจักข์แค่นี้เองมันเป็นต้นไปแล้วอะไรไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรม ลองให้พอมากเมื่อเทียบความถูกกับความผิดแล้วไม่มีอะไรคืนธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมจะก็สิทธิ์ที่ไหนได้เหมาะสมถึงเหมาะสมแต่ธรรมคืออะไรก็คือใจใจที่ภาวนาที่เหมาะสมกับธรรมทุกท่านเป็นอย่างหนึ่งไม่มีอันใดที่จะหมดใจไม่มีอะไรจะเป็นภาวนาทดลองทําได้แล้วมีอะไรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากจิตภาวนา มีอะไรที่จะทรงธรรมนอกจากกิเลสไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากกิเลสมีตรงนั้นเอาให้ดีมันเกิดแล้วอย่าไปสงสัยสงสัยอะไรก็เป็นการตัดทอนเพราะถ้าคนเชื่อคนสงสัยทําให้อ่อนแปรเอาหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดให้ดูอาเกิดด้วยไม่เกิด มีพลเมืองชาติเคยมีพลุญชาตินี้ดูเอาตัวนี้ตัวเรานี่แหละตัวพกธาตุเนี่ยหลักประกันของพกธาตุคือนั่นเองเราปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นทัศนะของเรื่องพกเรื่องธาตุจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยมันยึดมันถือมันตับต่ออะไรทั่วประคนมากายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดอืมดีว่า ที่กล่าวที่ใหม่เป็นในทุนก็ว่าเป็นของเราพวกก็ปกขนาดไหนก็เป็นของเราเพราะมันหลงอืมมันตาผ้าฟางไม่มีด้วยปัญญาเครื่องแค่ควรมันก็ถือว่าเป็นเราทั้งนั้นอืมหลังน้อยเองก็ดูอาการทั้ง 2 เป็นเราแม้ทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเราอือฮึ ดูความหลงความภาพลวงของจิตอันจริงต่อปัจจุบันนี้เห็นชัดตามความคือนี้อย่าไปถอยทุกธรรมะมันก็ถ้ามีความเกลียดเกลียดเจ็บมันมันจะลืมลืมข้อเกลียดเสร็จเลยไปเสียอืมพูดลงไปมันพูดไปดับไปความความนี้เนาะที่จริงไม่สักพูดอะไรเข้ามาสิ่งนี้นี่ไปเกลียดเจ็บได้ที่สุดที แล้วตัวจริงคืออะไรก็เลยดึงไปที่อ่ะปุ๊บจึงนํามาปุจฉาฐานอยู่ที่ที่ 7 กําหนดลงไปที่นี่พิจารณาสิ่งที่ปกปิดกําบังขันธ์ทั้ง 5 เป็นเครื่องปกปิดกําบังจิตได้ดีเพราะความหลงของจิตแต่กว้างเอาจิตนี้มาปิดทนเริ่มอุปาทานความนี้มั่นถือมั่นฉันจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัด กุศลานะกุศลานะเป็นทำนามเห็นแจ้งจริงๆนำติดตามของมันเองนี่ก็มีประสบแท้อยู่ที่จิตอนิจจังความเปิดคือเรานี้เป็นตัวครบประธานคือนี้คือทั้งย่อมความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้จิตวงปัจจุบันที่กำลังเถิงกันอยู่แบกหามกันอยู่นี้คือภพคือชาติ มันเดินมาตั้งนานมาถึงที่นี่ลานๆแล้ท่านก็เดินมาเรื่อยๆท่ามาถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นตัวพบกันท่ามาหยุดอยู่ที่นี่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อล่านี้แต่ผมก็ก้าวต่อไปไปถือพบใหม่นะนี่เครื่องยืนยันกันอยู่ที่นี่ถ้าอยากเมื่ออยากทราบนั้นก็พิจารณาสติให้ดีสังขานวิปัสสนามีปัญญาความเห็นแจ้งยังขั้นสมาธิก็เห็นความ คือตัวของจิตมันต่างกับขันธ์นะสมาธิมีความละเอียดแน่นอนมันควรไปยิ่งเห็นภัสเตระหว่างขันธ์กับจิตว่าเป็นคนละอย่างร่างกายกับจิตเป็นคนละอย่างมีเวลาแยกแย้งด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชัดเห็นได้อะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องตัวพันธุ์มันเคยยึดมั่นถือมันถูกปัญญาตัดขาดลงไปตัดขาดลงไปก็เห็น คำติดต่อมันน้อยลงไปน้อยลงไปเหลือมาน้อยในคนรู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเหมือนละคืนถอนไม่ได้เอ้าจนท้องใจเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านผ่านผ่านฮึดตัดออกนี้ตัดออกเองขันทุกท่านข้างนอกข้างในมันก็หมดขันมันก็มีเท่าเนี้ยจิตกสณะพาเผลออยู่ภายในตัวเองภายในขันน่ะ แต่ไม่ใช่ขันเป็นความสว่างประเภทสมาธิอาผเผยอยู่โดยทางของจิตเองขันมันจะเป็นขันนั้นมันมีนะเป็นเหตุให้สร้างเรื่องพบเรื่องทางมันต้องเล่นชามันไม่มีอะไรที่จะติดต่อเนื่องไปต่อไปในภพหน้านี้ภพระยะขณะไหนมันก็บอกภายในจิตคือเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดในภพนั้นภพนี้มันรู้อือวิเนตภพนั้นทําให้เกิดในภพนั้นวิเนตภพนี้ทําให้เกิดในภพนี้ ที่เรียกกันยากทําให้เกิดในพบยากที่เรียกละเอียดทําให้เกิดในพบละเอียดนี่ก็มีพบใดก็ตามก็คือของหมดไปตั้งพบใดความทุกต้องมีตามท่านหนึ่งพบมีตามท่านหนึ่งตรงนี้ตรงให้มากกว่าเราให้ทราบเลยนะเพียงแต่ท่านตัดขาดตรงนี้เลยทําลายวิชาออกใส่ให้เป็นตัวพบอย่างแท้จริงออกจากใจที่เหลือแต่ความมือสึกล้วนๆไม่มีอะไรเป็นพบเป็นแท้หายสงสัย ทางนี้หาถึงสายแล้วเรื่องที่จะประกอบพบพระชาติไหนได้มาถึงเพียงขั้นปัจจุบันนี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอันว่าหมดอนาคตมั้งเรื่องพบเรื่องฉากหมดแล้วในอนาคตมีเฉพาะพบท่านในปัจจุบันเครื่องของตัวเองมีแล้วก็ได้ณดึกตัดขาดกันแล้วจากอุปทานเพราะอํานาจของพระปัญญาศรัทธาความเพียรที่รู้ทัศน์อย่างนี้เองนะแต่หานี้ที่ไหนสันติธิโกบอกพระเจ้าไม่ควรถูกขัด อยู่กับทุกคนขณะผู้ปฏิบัติทําให้ดีอุปริครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันนักเรื่องปหณทหารกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นคําสอนของเจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบพระพุทธกาลไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความทางเพียงเป็นเดียวกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทําไมมันจะแก้กิเลสไม่ได้ <c oughs> ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้กิเลสมาโดยลําดับทีแล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการปราบตามเครื่องแก้ที่มีทุกประเภทเข้ากลับไปไม่สงสัยสงสัยไปทําไมเพราะไม่มีอะไรที่จะมากีดกันอุปนิพพานไม่ผู้ปฏิบัติโดยข้อธรรมไม่ถึงณปรุงทางนอกจากทุกข์กฏุมไทยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเพราะงั้นจึงต้องอาศัยมรรค คือสมาธิปัญญาเป็นสําคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งนี้ออกมีโลธเมื่อเวลามรรคมีกําลังมากเพียงใดตัดกิเลสตัณหาอารมณ์โกรธจึงก่อให้เกิดทุกข์ได้มากน้อยเพียงใดนี้โลธก็แสดงตัวขึ้นมาแสดงตัวขึ้นคือดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะอํานาจของมรรคไม่ใช่มีโลธทําหน้าที่เองนะเรื่องของมรรคเหมือนกับความอิ่มที่ในนัปทานไม่ใช่ความอิ่มทําหน้าที่ตนเองเป็นเรื่องของการนัปทานต่างหาก <c oughs> เป็นผู้ทําหน้าที่ให้ดับระงับทุกขเวทนาหรือความเหม่อแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสดาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกพร่องทั้งในความเป็นศาสดาสอนโลกท่านจึงแยกแยะออกกันต่างท่านต่างภูมิที่เนี่ยที่นี่แต่เราอยากเข้าใจว่าการกระทําทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปธรรมนี้แล้วจะต้องทํานั้นจะต้องทํานั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นผิดทั้งเถอะทีเดียวอ่า ทุกมันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรน่ะปัญญาขึ้นแล้วอืมคิดที่สัมพันธ์มันหมายว่าทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้นั่นคือตัวที่จริงไทยปัญญาคิดโค้งตามมันน่ะถ้าจะทํามันทํางานพร้อมกันนี่เป็นความถูกต้องในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วทุกข์มันก็ดับไปเองอืมนี้โลดก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกอืมเหมาะตัวแล้วนี่ไงอีก ที่กําหนดให้รู้พวกภพชาติเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในภพชาติเดียวนี้เหรอมันก็รู้เพราะจิตเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้ต้นเหตุในพวกนั้นตัวอย่างไม่ใช่ผู้อื่นใดคือจิตตัวรู้องค์ตัวรู้อย่างนี้แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นความจริงตัวเองแล้ว ถึงจะทำงานมาแล้วก็ตามพบทานต่างๆนั้นน่ะมันคับจริงมากตัวนี้เนี่ยตัวการคือนักท่องเที่ยวพาให้เกิดเสียเปรียบตายมันอยู่ไม่ถอนไม่ถอยจนมาทั้งถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นพบนี้ใช่มั้ยตรงตัวนี้เวลานี้ยังไม่ก้าวต่อไปเอาแก้ให้มันเสียเสียนิยามนี้ยังหรือว่าไม่ให้มันก้าวต่อไปพบทานขอยุติเฉยๆทั้งนี้ด้วยกันหันเส้นจุดต่างสมมุติภาวะจิตใจคือกิเลสประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นเราให้ดับตรงนี้ แล้วแสบสมายังอยู่ใน YouTube โลกมันก็เหมือนมันมีพอจิตมันก็ยุ่งจิตทั้งจิตจิตพอพอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมุติอันนี้คลายหมดแล้วสบายออกจากกันหมดทั้งนี้เลยหรือในธรรมชาติความมึนสุขทั้งล้วนแสบสบายตระหนำสุขขังเห็นว่าตระหนำสุขขังนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะอืม จิตพระกิณหาสทุกท่านไม่มีเรื่องเวทนาสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีอุเบกขาก็มีในจิตของพระกิณหาสไม่ว่าองค์ใดเวทนาทั้ง 3 นี้เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่บังคับให้มันแทรกเป็นเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นปรมังสุขังซึ่งไม่ใช่เวทนาทั้ง 3 นี้อย่างใดนั่นเป็นธรรมชาติ อยู่อยู่กับทุกข์ดุจเหมือนเป็นตั้งแล้วนิพพานังปรมังสุขังไม่ใช่ทุกข์สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงทําให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆรู้สึกใจเรื่อยที่มีพระเจ้าพระเจ้าตื่นทั้งนั้นเถิดผู้นี้มาเถิดว่าตะมันตักนี่ตลาดนี้เรานั่งกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนทุกคนกันว่าโหดสดปันเหมือนกัน ท่านถ้า 1,000 น้อยแล้วโตกันอย่างน่ะเอาให้อยู่หมัดเถอะอืมท่านจะเห็นได้เนี่ยเป็นพระอนุนสั่งรับสั่งพระอนุนให้ลาภสังคาติแล้วจะพักก่อนแล้วอ่อนเพลียเต็มทีท่านหมัดร่างกายท่านหมัดร่างกายทีแล้วจะพักผ่อนอนุนลาภสังคาติแล้วเรียกแล้วบอกพระอนุนตักน้ํายังอยู่ป่ะฮะท่านพูดถึงเรื่องขันธ์ตัณหานี่ ปานเทื่อเรื่องขันอ่อนเทื่อท่านทราบความอ่อนเทื่อท่านทราบทุกขเวทนาในขันอืมว่าไม่สามารถจะเดินเสด็จต่อไปได้ต้องทรพับก่อนแล้วก่อนขันนี้มันอ่อนตัวอ่อนกําลังทุกขเวทนาในขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตถ้าไม่ได้เเสวยนี่อือท่านจะมาเเสวยอะไรทุกขเวทนาธรรมจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขณะจะรู้แล้วครับ เวทนาตัวใหม่อันเป็นสมมุติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเห็นได้จึงไม่ท่านถูกทุกขเวทนาไม่มันก็ถูกปัดหมดเลยหัวใจเราอืมเราก็โง่นี่แหละแต่มันก็เป็นชัดภายในจิตเราว่ามันไม่มีเวทนาตัวไหนเข้าไปไปแทรกในจิตนี้เลยอือเอาตัวนี้แหละเป็นเครื่องดึงกันมันสะดุดกระพ้อจิตนี้มันไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเห็นดับทับๆท่านอาจารย์หลวง แห่งเหตุธนาคนไหนที่จะเข้าไปครอบหัวใจนั้นๆเลยเป็นอิสระโดยลําพังโดยไม่ต้องประเสริฐไปสั่งไม่ต้องถูกบังคับบังคานเพราะฉะนั้นธรรมาภิบาลพระภิกษุท่านอาจารย์มั่นท่านอืมนิโรธสงบแล้วเราได้เขียนไว้เถอะว่าถ้าสาวกบางองค์นอนนิพพานนามองค์ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานอืมเราถึงจ้ะที่นี้โลกทั้งหลายมีความสงบสุข สมมุติเถอะกันไปตื่นนั่งนิ่งๆพันเดินนิ่งๆได้ยังถ้าเป็นแบบร้องครวญอย่างเป็นไม่ได้สติสัมปชัญญะทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งขณะตกเพียงตรงไหนๆมันจะเอาอะไรมารู้หึมันจะเอาอะไรมาเดินตายนั่งตายยืนตายได้เพราะทุกขเวทนาครอบนําหัวมันอยู่แล้วจะตายจะไม่มีสติสัมปชัญญะคนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะ ทำมาเดินเดินนั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติติดตามถ้าจินตนากรณ์ท่านไม่ใช่คนประเภทนี้ท่านเป็นธะหรือท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือตํารวจทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาแม้ทุกเวทนาจะเป็นถึงไหนก็อยู่ในขันธ์จิตก็เหนืออยู่ได้ตลอดกาลท่านจะนิพพานในท่าใดตามอัตราแสงท่านท่านนิพพานได้อย่างสะดวกสบาย ความพลัดของญาติสายท่านองค์นั่งนิพพานท่านว่าลังเดินนิพพานมันก็เดินเดินนิพพานก็ดินได้สมัยหน่อยเพราะว่ามีอะไรมาครบจิตใจท่านได้แน่ก็คือกันที่ตรงนี้อืมนี่เพราะเมื่อจิตมันเข้ามันเข้าใจอย่างอย่างชัดเจนมันก็ไม่สะดุดได้อย่างเพราะเราโง่โง่ขนาดนั้นเรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใด ก็ประหยัดย่างทํานายจิตเนี่ยถึงนิดไม่ถอยต่อเนี่ยมันเป็นมีความความคิดหม่นๆตอนนั้นมากเนาะมันก็เป็นสภาวะนี้ก็รู้อยู่แค่นั้นแล้วอะไรลักษณะไหนเนาะมาครอบมันพอให้ให้สภาวะนี้น่ะอืมท่านท่านรับตามตามอาการของขันธ์ของสมุจเฉทน่ะนี่พานงลาษสังขารที่เราเหนื่อยระทภัสนะคําว่าเหนื่อยคือว่าถ้าฐานนี้มันไปไม่รอดมันอ่อนกําลังอนุน ร่างกายทั้งขาติให้ขันนี้มันพักถูกง่ายๆอ่าขันนี้มันต้องการน้ําอนุมปัสถานน้ํามาให้มันดื่มให้เรากินขันนี้มันต้องการน้ําไม่ใช่สภาวะกตอันแท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่งสภาวะตองค์บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องพันอะไรทั้งหมดถึงคือว่าสมมุติแล้วแม้จะอยู่ในขันซึ่งเป็นตัวสมมุติก็ตามปฐากตแท้อย่างแท้จริงนั้นไม่สนใจกับอะไร คือตถาคตอยู่โดยหลักธรรมชาตินี่ความคิดเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์เราไม่มีความรู้ความตลาดหลักเหลี่ยมก็ตามแต่มันก็ทับทิมในกิจการอืมถึงนั้นเราถึงกล้าพูดว่าเมื่อตายเป็นเป็นคนคนตนัดแล้วเราตายคนเดียวก็สุขสบายดีตายตามอาชีพอาศัยนั้นน่ะนะจะไปหัวสุขก็ลมหมายไม่ถูกเขาทําให้ที่เป็นความประกอบสบายตามอาชีพนั้นแหละเป็นที่หมอกที่สุดที่ไม่หวังจะพึ่งใคร แม้แต่ขันธ์ก็จะไปพึ่งมันได้ยังไงขันธ์ก็เป็นขันธ์ไปด้วยอย่างนั้นท่านถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยอย่างสบายๆเลยไม่ต้องมีใครมายุ่งยุ่งเท่านั้นแล้วมันมีอะไรที่จะล่มจมเพราะความตายไปของมันหรอกมันแน่ขนาดนั้นจะให้ชะตาอะไรก็สิหายมันไม่มีมันจริงทุก